กลักมาแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะดีที่ได้ได้เรียนคุยกับพระอาจารย์ไปเรื่องของว่าที่พวกผมจะทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความผาสุขทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยเมือลังคนไทยพุทธนะคะพระอาจาย์ก็เลยที่ต้องการมาสอบถามหรือว่ามามาพูดคุยกับพระอาจารย์ก็คืออยากได้ได้ความกระจ่างในหัวข้อประเด็นที่มันมีอยู่ในหัวประเด็นนะคะพระอาจารย์อันนี้เหนือก็คืออยากรู้ความหมายของความสุข ในทางพุทธศาสนามองความสุขว่าอย่างไรแล้วให้ความหมายของความสุขว่าอยังไงค่ะอันที่2ก็คือความสงบมันจะมีคําหนึ่งที่ความสงบในทางพุทธมีมีมมมใ ห, ให้ให้ความหมายแล้วก็ให้วิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อสู่ความสุขนี่อย่างไรแล้วก็คำที่ษาคือสี่ยึดเดี่ยวในชีวิตและคําที่4คือการเข้าใจตนเองและธรรมชาติของชีวิตคําที่5้าคือความหวังและสุดท้ายคือความผาสุกทางจิตวิญญาณในในพระพุทธศาสนาที่มีการพูดถึงคํานี้ไหมคือใน6กคำนี่คะพระอาจารย์ แล้วมีการให้ความหมายแล้ววิธีการที่จะไปถึงทั้ง6หัวข้อนี้ได้อย่างไรถ้าในมุมมองของของทางพุทธศาสนาคระอาจารย์อยากจะถามพระอาจารย์ในประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่ห น, นึ่งก็คืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าความหมายของความสุขในทางพุทธศาสนาที่เขากล่าวอยูความสุขนี่มันหมายถึงอะไรแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะให้บุคคลมีความสุขได้ครับอาจารย์มีความสุขก็มีหลายระดับนะเออ โดยทั่วไปก็หมายถึงความรู้สึกที่เป็นบวกนะความซื้อเป็นบวกก็มีหลายหลายแง่ความปิติความอิ่มเอิบหรือว่าความแม้กระทั่งความ อ, ร, อร่อยนะสุขเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงสุขเวทนาเพราะฉะนั้นมันก็จ ะ, ะมันจะเป็นความรู้สึกในทางบวกนะคราวนี้อย่างที่บอกว่าอสุขเวทนามันมีหลายระดับนะเอ่อ ระดับที่ว่าเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์วัดก็คือว่ามันเป็นสุขที่แท้ไม่เป็นสุขที่ยั่งยืนไหมมันเป็นสุขที่เจือด้วยโทษหรือเปล่าใช่มสุขสุขที่อย่างเช่นสุขที่เป็นความเบล็ดตรลอยความเป็นความเพลิดเพลินยินดีจากการที่ได้สัมผัสเอ่อ รสชาติที่เราการมาสุขเนี่ยมันก็มันก็เจอไปได้วยทุกเจอไปได้วยทุกก็หมายความว่าหนึ่งมันประเดียวประดาวสองมันทําให้เกิดความยึดติดผูกพันสามมันมันมันเป็นตัวผักดันที่ทําให้เกิดการดิ่หลนแสวงหาอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ารสชาติที่จืดจานมันก็ทําให้ ต้องสแสดงหาใหม่แต่ถ้าสุขที่มีโทษน้อยก็เป็นสุขที่ก็ เ, เกิดความพึงพอใจแล้วก็ยั่งยืนไม่จีดจางง่ายแล้วก็ไม่นําไปสู่โทษหรือว่าไม่ไม่ไม่นำไปสู่ความการอาเปรียบเดียดเบียนกันอันนี้ก็หมายถึงสุขที่เรียกว่าความสงบสุขที่เป็นความโปร่โรงเบาสบายผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น ในในทางพุทธศาสนามีการแบ่งความสุขเป็นแค่สประเภทใช่ไหมคะโอ้แบ่งหลายแบบนะมีมีแบ่งอีกเช่นเช่นนิราสเช่นอามิสุขนิรามิสุขนะ <c oughs> หรือว่าการมสุขชานมสุขนิพพานมศุขโอ้ถ้าไปเปิดดูมันจะมีมันจะมีอยู่เยอะเลย <c oughs> ไปเปิดดูในพจนานุกนรมพุทธศาสตร์หรือว่าพุทธธรรมก็ได้นะ หรือว่าเช่นเน่ถ้าแม่ก็ทั้งสุขฝ่ายดีเนี่ยฝ่ายกุศลแม้ที่เจอเจอทุกเจอทุกน้อยก็ยังมีเน่ขมมะสุขแล้วก็สมัมเน่ขมมสุขแล้วก็ปวิเวกสุขแล้วก็สัมโพธสุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันจะมี classification เยอยนะเนี่ยอันนี้หาไม่ยากเดี๋ยว <S S S S S S S ไปเปิด<ๆ>ดูได้ในพุทธธรรมนี่จะได้เพราะใน ในในในในบทพิเศษจะบอกเลยว่าสุขเนี่ยมันพุทธศาสนาแยกเยอ ะ, ย, อะอยังไงบ้างแต่หลักๆนี่เขาจะใช้ตัวสองตัวคือหนึ่งอามิสุขกับนิรามิสุกแล้วก็ถ้าแยกเป็นสามก็การมาสุขชานมสุขนิพพานาสุขอะไรเงี้ยการนีขั้ขั้นขัของคนธรรมดาทั่วไปที่ยังติดอยู่ในเรื่องของทุกมันจะมีทุกเยอะกว่ามัน เ, เ, จเจอเจอได้ทุกใช่ทุกเจ้าเปลี่ยนมาว่า <C oughs> มือนกับ คบไฟที่ทําด้วยยาแห้งเมื่อจุดแล้วนีมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่ามันก็มีควันเยอะระคายระคายหูระคายแอระคายจมูกระคายตาหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ปล่อยมันก็จะไหมมือไหมแขนนี่มันถึงสุขที่เจอ ท, ทุโทษคือขั้นแรกเลยใช่ไหมคะเป็นการมาสุขที่ทได้แล้วแล้วก็ถ้าสุขที่ละเอียิบขึ้นมาอีกขั้นนึ่ง ก็สุขที่ไม่ต้องเกิดจากการเสพไม่ต้องอิงอารมิตนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การมาสุขหรืออามิตสุขนะยกตัวอย่างได้ไหมครับ อ, อาจารย์เช่นเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสุกเบาสบายเราสุ อ, อจิตใจเราไม่ไม่มีความกังวลใช่ไหมอย่างตอนเี็คุณไม่มีความกังวลก็จะรู้สึกสบายหรือว่า คุณรู้สึกปลอดโปร่งนะนั่นแหละก็เป็นความสุขใช่ไหมโดยที่คุณไม่ต้องเสดอะไรคือบางคนไปคิดว่าคนไปคิดว่าต้องไปเสดถึงจะสุขแต่บางทีถึงแม้คุณไม่เสดอะไรคุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งนะนั่นก็สุขนะสุขคืสุขอะ้รคะอาจารย์อืมดิวานสุขเหรอทไม ก็สุขที่เกิดจากการที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีความยึดติดถือมั่นที่จะมาทำให้คือจิตที่ไม่ไม่แบกไม่ยึดต่อไปปล่อยวางแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ได้ไ ม, ไม่ได้มีไม่ได้เข้าถึงการหลักปฏิบัติธรรมถึงขังน้นลิบพานสุขในใ น, ในสุขสองขังน้น ในคนในคนเจ็บป่วยที่พระอาจารย์เคยดูแลเนีขาจะแสวงหาความสุขแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะพระอาจารย์ความคนที่เจ็บป่วยเนี่ยในบางขนาดก็จะพอใจการมีสุขได้เช่นเอา ง, ง่ายง่ายเช่นเอออาหารที่ถูกปากเพลงที่ถูกใจใช่ไหมถึงแม้ว่าคนป่วยเนี่ยบางทีเขาไม่มีแอ p e t ท t e แล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะ ให้ความเล็กตอร่อยอจะไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขาก็อยากกินเพราะคนจํารสชาติได้ mm hmm. ใช่ไหมแต่ว่าขอกินหน่อยโดยเฉพาะเช่นคนแก่ขอเบาหวานก็ข อ, อกินนั่นแหละทุเรียนเหรอ <laughs> แต่กินได้เดียวเดียวก็กินไม่ไหวใช่ไหมจะมีคนที่ใกล้จะตายเยขอกินหน่อย mm hmm. ใช่ไหมศึกษาไปซื้อมาโห่ไก่กินได้แค่ช้อนเดียวไม่เอาละเพราม่มีไม่มี appetite เนี่ย แต่ว่ามันมีความมันมีสัญญาความทรงความจําได้เกี่ยวกับรสชาติก็อยากจะกินนั่นก็เป็นการมาสุขแต่ว่ามันประเดียเด๋ยวประเดี๋ยวกระดาวสำหรับ mm hmm. คนใกล้คนป่วยหนานี่ไอตัวนี้มันจะมันจะมีความหมายน้อยเพราะว่าร่างกายมันมันหรือจิตใจมันมันไม่สามารถ mm hmm. ที่จะเสพความสุขแบบนี้ได้ซึ่งก็ธรรมดาคนที่คนธรรมดาปกตินี่ถึงแม้ถ้าเกิด เ, เขามีความกังวลนี่นะ เศ้าโศกเสียใจพ่อตายลูกตายหรือว่างานล้มละลายล้มเหลวเนี่ยเครียดกังวลคุณกินอะไรก็ไม่อร่อยถึงแม้คุณไปกินเหลา่าคุณฟังเพลงอะไรก็ไม่พอถึงแม้คุณไปฟังคอนเสิร์ตเนียใจมันไม่รับนะคนที่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาตรงนี้เลยปิดใจนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ปล่อยวาง หรือว่ามีที่พึ่งทางใจเกิดความอบอุ่นใจก็จะมีความสุขหรือว่าแล้รู้ึกถึงความดีเขาก็จะปิดติตรงนี้แหละคือความสุขที่ความสุขทางใจที่ที่ที่สำคัญนะยิ่งนั่นนี่ก็มีพุทธศาสนาก็มีคำว่าอ่าใช้คําว่ากายยึกสุขนะกายยึกสุก็คือว่าสุขทางกายกสุขทางใจนะสุขทางใจนี่สุขว่า ใช้นมามัรรมจำไม่ได้ละจิตเจ ต, จ ต, จตสุขอลไรเนี่ยนะอันนี้ก็ผู้สาธาก็ยิ่ย่อีกอันนี้คนป่วยเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องความสุขทางใจแต่ก็ต้องมีความสุขทางกายรองรับอยู่ใช่ไหมเช่นถ้าเกิดอยู่ในห้องที่ร้อนเนี่ยมันก็สู้อยู่ในห้องที่เย็นไม่ได้สบายหรือว่าอยู่ในห้องที่วุ่นวายเนี่ยเสียงดังมันก็สู้อยู่ในห้องที่สงบไม่ได้เงียบไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ก็ต้องเป็นตัวรองรับเป็นตัวยืนพื้นแต่ว่าแค่นี้ไม่พอหรอกมันก็ต้องมีความสุขทางใจความสุขทางใจก็เช่นมีคนรักอยู่ใกล้ๆเขาให้ความรักความเมตตาแล้วก็มีที่พึ่งทางใจแต่อย่างหลายอย่างที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกรู้สึกมีความสุขได้นอกจากตัวของพื้นฐานคือร่างกายแล้วสิ่งที่สําคัญขึ้นมากกว่าร่างกายคือทางจิตใจใช่ไหมอาจารย์ใช่ ซึ่ปัจจัยตรงนี้ก็มันจะขึ้นไปกับหลายๆอย่างอย่างเช่นจริงแวดล้อมที่เราจะให้คือถ้าเราจะสามารถจัดพื้นฐานได้ได้ครบติดใจก็จะตามมาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือจริงๆเนี่ยตัวคนไข้เนี่ยเขายังส่วนใหญ่เขก็จะวังแต่ความสุขทางกายเช่นอย่างน้อยๆ เ, เนี่ยคือว่าให้ความเจ็บปวดมันหายเขาก็แค่นี้คือถ้าความเจ็บปวดหายนี่เขาก็สุขแล้วล่ะ แต่ก็อย่างที่เรารู้บางทีโลกบางโลกความเจ็บปวดไม่หายหรอกมันแค่บรรเทานิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่จะมาแทนได้คือความสุขใจแล้วก็ดังความสุขใจที่ที่ ท, ที่ที่พระอาจารย์เก่าของเนี้ยถ้าเราจะช่วยเขาให้เกิดความสุขใจได้เนี่ยสิ่งมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยเขาได้บ้างคะในทางคุณสนาเรานี่เรื่องความอันที่หนึ่งคือคนที่อยู่แวดล้อมเขาให้ความรักความเมตตาความใส่ใจ มีอดมีความอดทนไม่แล้วก็ยอมรับคนคนป่วยใช่ั้ยซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีคนที่ดูแลก็เข้าใจยากทาไมคนป่วยงองแงทำไมอยากกินนู่นกินนี่อุตส า, าไปหามาให้ไปึถึงสุพรรณไปถึงเมืองการหามาให้กินแค่ช้อนเดียวไม่กินละอะไรเนี่ยนะอันนี้เรื่องคนคนความสัมพันธ์ซึ่งรวมถึงหมอพยาบาลด้วย สองอการการช่วยการทำให้เขาวางใจได้ถูกต้องการวางใจให้ถูกต้องวางใจเช่นคุณคุณมีที่พึ่งคุณมีที่ยึดเนี่ยวคุณนึกถึงนึกถึงสิ่งที่ดีหรือว่าคุณมีธรรมะยอมรับความจริงปล่อยวางได้คุณมีสติคุณมีสมาธิ ม, มันมันมีหลายๆขั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขั้นายขั้นพื้นฐานคือว่ามีที่ยึดเหนี่ยวอสบายใจมีหลวงพ่อท่านให้ท่านให้พระเครื่องมาสบายใจมั่นใจหรือว่าได้ <c oughs> ได้สวดมนต์ถึงพระเจ้าแม่กุนอิมมีความสุขมีความอบอุน่นนี่ระดับพื้นๆ น, <c oughs> น, นะระดับสูงหน่อยก็เออมีสมาธิระดับที่สูงขึ้นไปคือว่า มีปัญญายอมรับวันที่เป็นธรมรมดาในชีวิตก็ไม่เรียกว่าปล่อยวางไม่ยึดติดในร่างกายนี้ว่าเป็นราเปของเรามีความเจ็บไม่มีผู้เจ็บเป็นขั้นสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสุขได้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแสงสุดใช่ยังนั้นแสดงว่าคนไข้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังคือความทุกข์ธรรมดาดีก็จะนับความสุขแต่ละขั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน ใช่แล้วก็ขึน้นอยู่กับความสามารถของผู้ผู้การล้อมถ้าพูดดีนำทางดีแนะนำดีเขาก็ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปใช่ไหมมันต้องอาสัส ย, ส, ส, อยสองอย่างหนึ่งพุทธศาสนาจะพูดถึงสองอย่างเสมอหนึ่งกรียานามิตรปัจจัยภายนอกสองอย่นิตตัวมนุษยการปัจจัยภายในใช่ไหม ถ้าคุณได้กัลยาณมิตรดีได้คนแนะนํานําทางดีจิตใจก็ ก, <ๆ>ก็ก็พร้อมจิตใจก็พัฒนาแล้วก็ทําให้ปล่อยวางได้จากสจากสแหล่งที่ได้เคยจากภายนอกก็คือจากคำแนะนำจากกัลยาณมิตรแล้วก็จากการคิดการคิดรู้ได้การวางใจวางวางใจเราผู้สานเขาเรียกลมหลวโยนที่สมนสิการ์ถ้ผู้สาน คื้นฐานสุรการวางใจให้เป็นให้ถูก okay. Okay. หรือว่าผู้ใหา่ในคุณภาพภายใน mm hmm. ถ้าคุณภาพภายในดีมันก็ถามตอนนี้เลคะคุณภาพภายในที่เราจะที่แบบถ้าเกิดว่าช่วงที่เราเตรียมก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่สู่การจะป่วยหนักขึ้นน่ยการเตรียมภายในที่ที่พระอาจารย์บอกวันี้เราเราจะสามารถที่จะช่วยเขาตรงนี้ให้มีการเตรียมได้ยังไงบ้างคะพระอาจารย์ก็ อันนี้ให้เขาอยู่กับปัจจุบันอยอมรับความจริงอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเรามีบางคนเขาก็กังวลอย่างเช่นคนบางคนเขาถามอาตมาว่าเขากลัวว่าตายแล้วตอนตายนี่มันจะไม่มีสติตอาตมาก็ถามว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้กังวลไหมกลัวไหมไม่กลัว ตอนนี้ไหวตอนนี้ไหวแต่ห่ว ง, งห่หวงข้างหน้าเขาบอกเอาแค่นี้พอแล้วข้างหน้าเนี่ยอย่ามึนไปสนใจถ้าถ้าวันนี้มีสติพ่อปล่อยวางได้เดี๋ยวสติมันทํางานเองถึงวันนั้นน่ะใช่ไหมให้เขาอยู่กับปัจจุบันยอมรับปัจจุ บ, บันแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้ว่าทานดําเนินของโลกเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้เตรียมตัวป้องกัน ที่เขาต้องรู้สิ่งที่เขาจะป่วยอยู่ว่าคืออะไรแล้วก็ทางที่คือเราการเรืองโรคจะเป็นยังไงใช่เพื่อเขาจะได้ทําใจได้คือคือั้นแปลว่าคนที่ดูแลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องต้องแจ้งให้กับตัวเขาทราบอันนี้มีผลคะเกิดว่าบางคนที่เขาไม่ทราบเลยว่าเขาปวดเป็นอะไรคือคนที่ดูแลหรือแม้แต่แพทย์หรือพยาบาลที่ไม่ไม่ได้แจ้งเขาทราบตรงนี้เรามันมันจะทําให้เขารู้ตรงนี้ได้ไหมคะอาจารย์มันก็แล้วแต่คนบางคนเขาถ้าเขารู้แล้วก็ตกใจ ใช่ไชแต่บางคนรู้แล้วเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ในระดับไหนความพร้อมอยู่ระดับไหนคราวนี้นอกจากการที่ยอรับปัจจุบันได้ก็ต้องให้เขาถ้าเขาสามารถที่จะยอมรับความจริงว่าช่วยคนเราไม่แน่นอนคนเรามันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วก็เขาเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาชีวิตเขาที่ผ่านมามันไม่สู์เปล่าเขาทําความดีคุ้มค่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจการงานต่างๆที่เขาทำภาระิดชอบทั้งหลายที่นี้เขาก็สะาสามหมดเขาก็พร้อ ม, อมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องก็ต้องมีตรงนี้ด้วยพระอาจารย์แล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะในกรณีที่เกิดความสุขทางใจในขณะที่ยังมีความทุกข์ชะมาดทางด้านร่างกายอยู่นี่นี<ม>เป็นความทุขทางทาง เป็นความอตาตมาหรือว่าความทุกข์ทางกายแต่ไม่ถึงกับเป็นความทรมานามอย่างที่อาจารย์คุณหมอเลยนะคุณหมอซูมาลีบอกความทุกข์เป็นเรื่องกายทรมานเป็นเรื่องใจ เ, เใช่ไหมเวลาคุณทรมานเนี่ยมันเป็นเรื่องใจแล้วนะแต่คนที่คนที่มีความคนที่จิตใจไปวางมันก็มีแต่ความทุกข์ใจแต่ไม่ทรมานเป็นไปได้ คนที่ทุกข์กายผู้เจ้ายังบอกเลยว่า a, ให้ทุกให้ทุกให้ทุกแต่กายแต่ว่าใจอย่าอยทุกนั่นหมายว่าคนที่จะผ่านกระบวนการเหล่านี้คือต้องมีการแบบฝึกสติอะไรมาก่อนเป็นพื้นฐานไหมคะที่จะสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้นได้ถ้าฝึกมาก่อนยิ่งดีแต่บางคนก็มาฝึกเอาทีหลังก็กนะ็บางคนก็ทําได้นะบางคนก็ทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสติมัน สติมันอ่อนทุกเวทนามันเร่งงานเหมือนกับเหมือนกับนักมวยที่อ่อนอ่อนซ้อมมาเจอนักชกเทเบเวก็โดนซ้อมมันล้มมาตัวยืนอยู่ไม่ไหวแต่แต่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ก็จะถ้าเห็นทุกข์ก็จะมีการเริ่มที่จะปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์หมายว่า เมอเมื่อเราเห็นทุกข์จะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็การคิดรูไ้ได้อ๋อไม่แน่หรอกคนบางคนเห็นทุกข์เขาก็อยากจะหนีทุกข์อย่างเดียวเขาไม่อยอมรับความ<ช>จริง<ช>เขาก็ไม่สนใจปฏิบัติเขาคิดแต่พึ่งสิ่งภายนอกหมอจะมียาอะไรไหมแรงต่างถ้าไม่ไหวเขาก็อยากจะตาย ห, หมอช่วยได้ไหมหเขาจะคิดถึงแต่สิ่งนอกตัวตลอดเวลาว่าจะช่วยอะไรก็ได้แต่เขาไม่คิดคิดว่าเขาจะช่วยตัวเองได้ยังไง ที่เมื่อกีที่คุณถามว่าถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่เตรียมตัวมาก่อนนี่จะทำยังไงตรงนี้แหละกาะยานั้นมีสำคัญอาตมาก็เห็นหลายคนที่เขาเขาแนะนำดีจะเป็นพยาบาลก็ดีเป็นหมอก็ดีเป็นเป็นเพื่อนก็ดีคนไข้บันีีก็ไม่ไหวงองแงหรือว่าตีโพยตีพายแต่ว่าได้ได้พยาบาลดีก็ ทำให้เขาวางใจได้หรือว่ า, วาแนะนำํำที่การเจริญสมาธิเจริญสตงิง่ายๆนะมันก็ทําได้ดีบางทีทําได้ดีกว่ากว่าคนไม่ป่ว ย, ยก็ได้ก็มามเรียนเนาะกัลยาณมิตรของอาจารย์นี่คือหมายรวมถึงคนอื่นยกเว้นตัวเองใช่ทุกที่เวดล้อมหมอเบี้ยบาลพ <นะ S 1> ระครอบครัวพระอาจารย์คะีเรื่องของความสุข น, นี่ก็คือคือก็ก็ก สงบได้แล้วนะคะแต่นี่คำว่าความสงบนะคะท่านาจความสงบมีความแตกต่างกับความสุขไ้มคะท่าอาจารย์ว่าคำสองคำนี้พูดในในมุมมองมาเรียกต่อกันแต่จะมีความแตกต่างในความสุขไหมคะอ๋อจริงไม่แตกต่างนะแต่เป็นความสุขขั้นสูงผู้เจ้าตัดว่าสุขอื่นนี่กับความสงบไม่มีก็แสดงว่าความสุขกันสุขชั้นเลิศมากกว่าสุขธรรมดาค่ะเออสุขคือสุขมีออตมาในความใน าการจัดเขาจมาสมาสุมมีสแบบสุขเกิดจากความเราจิต ก, กระตุนใจเราจิต ก, กระตุ้นใ จ, จคือสุบที่เกิดจากการเสกเนี่ยอาหารอาหารอาจจะอร่อยได้ต้องใส่พริกต้องใส่ต้องเปรี้ยวเห็นไหมอาหารจืดๆอร่อยไหม <c oughs> เพลงไปเรื่อยๆเห็นไหมมันต้องเพลงต้องกระแทกกระทันใช่ไหมหนังเรื่อยๆไปเรื่อยๆนยสนุกไหมไม่สนุกต้องมีแอคชั่นมีอะไรไหมสุบ ข, ของคนเสวยเป็นอย่างนี้คือสุขจากการ เราจิตกระพุ้มใจกลับสุขที่เกิดจากความสงบตรงคนคนเราตรงข้ามกันเลยอย่างแรกนี่ต้องเรานะมันต้องเต้นจิตเต้นนี่บางทีกเต้นทั้งเต้นตัวเลยนะคือต้องเล่นต้องเต้นลาเงี้ยแต่ว่ามันมันต้องเราจิตให้มันให้มันขึ้นให้มันลงถึงจะถึงจะสุขแต่สุขแบบนี้นคือสุขจากความสงบคือยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งสุขยิ่งสุข ในความสงบมีระดับของความสงบไหมคะพระอาจารย์ในความสงบมัมีการแบ่งระดับของความความสงบอ๋อก็มีก็มีสงบแบบสงบแบบชั่วคราวสงบเพราะสิ่งแวดล้อมสงบเพราะใจปล่อยวางใจไม่มีกิเลสใช่ไหมคนสัญญาสงบก็คือสงบเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่มีสิ่งเล่าแต่ว่าความสงบอีกอีกขั้นหนึ่งความสงบที่เกิดจากภายในเพราะ พรมีสติพราะมีสมาธิเพรปล่อยวางถึงแม้ว่ารอบตัวจะวุ่นวายใจก็สงบอาจารย์ครับมันมีคำอีกคำหนึ่งที่ที่คนมักจะเข้าใจผิดคืว่าสันโดษกับความสงบไม่เหมือนกันไหยคะสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มีดดยินดีสิ่งที่ได้สันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าสุริจูดน ะ, ะคนมักจะสันโดษคือแปลว่าสุริจูดก็คือว่าอยู่คนเดียวเมี่ยงเมี่ยงนั้นแปลกผิด เขาลักสันโดรดคือเขชอบอยู่คนเดียวนันไม่ใช่ใชคือพอใจในสิ่งที่พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไดแล้วแต่ก็แตกต่างจากคําว่าความสงบนะอาจอ๋อมัน ก, มนก็มันก็มันแตกต่างแต่มันสัมพันธ์กั น, กนคือคุณพอใจแล้วเนี่ยคุณก็ถ้าคุณพอใจสิ่งที่มีคุณก็ไม่เกิดความทยานดิน้นรนแสวงหาคุณไม่คุณไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อสิ่งเราใครเขามีมากคุณคุณก็เฉยใช่ไหม ก็จะมีมากคุณเขามีเงินเดินมากคุณเขาได้สองขั้นคุณได้ขั้นเดี๋ยวคุณก็ไม่ไม่ทุกคุณก็ไม่อิจฉาใช่ไหมเรื่างนี้ก็สงบใช่ไหมถ้าไม่ถ้าเป็นคนอิจฉาเนี่ยไม่สงบหรอกหรือว่าถ้าอยากได้ไม่รู้จักพอเนี่ยไม่สงบหรอแต่พอคุณพอคุณพอใจแล้วคุณก็หคุณก็สงบเดินสองคำเป็นคำที่เชื่อมโยงกันสันโดษสมาที่มันมันไปที่มันสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ความสงบที่เกิดจากการปลีกวิเวกในเพศคารวาสกับความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติรทำจารนสติหรือว่าในเพศของสงอะไรเงี้ยแตกต่างกันไหมคะมันก็แตกต่างนะเพราะความสงบอย่างแรกที่คุณพูดมันถึงความหมายถึงความสงบจากสิ่งแวดลอ้อม mm hmm. แต่ว่าความสงบที่ภาคก็ปฏิบัติตามหลักนะก็คือว่าสงบภายในภายใน พระอาจารย์วิภัยวิธีนี้ได้ไหมคะสุบภายในก็คือไม่มีความอยากจิตใจมีสติไม่วันวายต่อสิ่งเร้าภายนอกมีปัญญารู้จักปล่อยวางวิธีการที่จะให้เกิดความสงบภายในถ้าในคนที่เจ็บป่วยพระอาจารย์ี่พระอาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการ พรครีกับคนที่เจ็ป่วยหรือลังพากันจะมีวิธีการทําให้เขาเกิดความสุขได้ยังไงครับพุทธเจ้าก็ตามหลักพุทธศาสนาก็มีอยู่สามสี่ตัวนี่หนึ่งคือศรัทธาคือถ้ามีศรัทธานี่มันก็จะมีปิติมีปราโมทมีสมาธิมันมีหลักเลยนะศรัทธาก็คุณมีศรัทธาในสิ่งใดเนี่ยเช่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าคุณก็จะมีความปิติมีปราโมทแล้วก็จะมีสมาธิแล้วก็จะสุขอสุขแล้วก็สมาธินี่ไง แนคุณต้อง ม, อตองมีต้องมีต้องมีศรัทธาเียก็ถึงบอกไงว่าถ้าคุณ น, น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธธรรมนึกถึงบุญบุส่วที่ได้ทำคุณก็หลายคนพอได้นึกถึงแล้วก็จิตใ จ, จก็สงบหายปวดศรัทธา 2, สองสติสามสมาธิสี่ปัญญาเนี่ยสี่ตัวสำคัญคสติสมาธิปัญญา ก็ทำยังไงก็แล้วแต่สัทธาก็อย่างที่บอกสวดมนต์นิมนพระมาหาหรือว่าให้ถวายให้ให้มีรูปพระพรพทรูปที่นักถืออยู่อยู่หัวเตียงอะไรเงี้ยสติก็ก็ต้องปฏิบัติได้ตัวเองสมาธิ่ืเหมือนกันอาจจะมีคนช่วยแนะนำเป็นเบื้องต้น คำว่าคำว่าศรัทธานี่คือกินความหมายแค่เฉพาะในเรื่องของศาสนาใช่ไหมคะศรัทธานในเรื่องใสในศาสนาหรือว่าศรัทธานในเรื่องอื่นๆในสิ่งที่ <ใน S 2> คุ ณ, คณถือเป็นสิ่งที่เหนือจิตใจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องศาสนาเพราะว่าเรื่องอื่นนี่มันมันไม่ช่วยทําให้เกิดความมันไม่ช่วยทําให้เกิดความมั่น อ, อกมั่นใจเช่นเวลาคุณจะป่วย เ, ยเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้ ทรัพย์สมบัติช่วยอะไรไม่ได้บางทีรูปเมียช่วยอะไรไม่ได้คุณก็ยังหวงังว่ามีสิ่งนี้ที่ช่วยได้พระพุทธเจ้าเจ้าแม่กวนอิมพระเจ้าใช่ไหมสิ่งที่มันมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือแม้กรทั่งบุญกุศลที่คุณได้ทําคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ศรัทธานในเรื่องโลกโลกเนี่ยมันไม่ช่วยแล้วละเวลาคุณป่วยนะเพราะว่าคุณงัดมาหมดแล้วมันไม่ได้ช่วยเนี่ย ก็เช <mondo> eh. ื mm ่ออย่างสิ่งเดียวสุดท้ายจริงๆในผู้คนเรื่องหลังหรือผู้คนเร่อสุดท้ายสนใหเท่าที่เคยเคสอบถามกคนจะเป็นศาสนาแต่แต่แต่มีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการทีถึงขั้ศาสนาสถานศาสนาในคนปัจจุบันจะลดลงีรือพลาการลดลงไหมคะลดลงก็ทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตายแบบทรมานเพราะไม่มีอะไรศรัทธาเลย ได้ได้สอบถามหลายที่บางทีมันมันเปลีป่ยนไปคือจากการที่เมื่อก่อนเราจ ะ, จะจะมองว่าเป็นศาสนาหรือหาใครจะปัจจุบันที่หนูลองไปถามมาสอบถามเรากรุงเทพเขาตาจาันเขาก็ไม่ได้พูดถึงศาสนาศาสนาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยค่ะบางครงบอกว่าครอบครัวเป็นส่วนใหญ่เนี้ยค่ะเป็นมองตาจาันมองมันมีความสําคัญใช่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวฝ้่งหลังก็เป็นแบบนี้เมืองนอกเพราะนั้นเนี่ยที่คุณบอกกรารย้อนมิรเนี่ยสําคัญถ้าช่วยทําให้เขาเอให้ความรักเขา หรือว่าทําให้เขาสึกภาพภูมิใจว่าเขาได้ดูแลครอบครัวมาอย่างดีไม่มีภาระอะไรของครอบครัวที่จะพิตอกังวลเมียบอกผัวที่กำลังจะตายว่าไม่ต้องห่วงนะจะดูแลลูกให้อ่าก็พร้อมจะตายแล้วศรัทธากับความเชื่อต่างกันยังไงคะศรัทธาคือความเชื่อมั่นแต่ความเชื่อคือความเชื่อที่กว้างความเชื่อว่า สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็เป็นความเชื่อมันเป็นอีกระดับหนึ่งมันกว้างมันกว้างศรัทธาความเชื่อมันกว้างมากแต่ว่าพอถึงความเชื่อนี่มันมันมันมันกว้างมันไม่จ่อจงความเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ได้นึกถึงแล้วจิตใจหดหู่ใช่ไหม เป็นความเชื่ออความเชื่อเกี่ยวกับนักการเมืองบางคนนึกถึงแล้วแคน<ม>ใช่ไห ม, มพวกเสื้อเหลืองนึกถึงเสื้อแดงแล้วโมโหอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นความเชื่อแต่ศรัทธานี่มันมันก็จะเป็นเป็นความเชื่อในทางที่ดีที่จอดจงที่จอดจงในทางที่ดีศรัทธานในหลวงศรัทธา ศรัทธาในทักษิณนึกถึงในหน้าทักษิณแล้วโอ้มีความสุขหรือว่าศรัทธาในพระเจ้าแม่ขุนอิมศรัทธาในพระพุทธเจ้าปัจจุบันจะเป็นความเชื่อในทางบวกถ้าอย่างนั้นแสดงว่าศรัทธานี้เป็นความเชื่อรายบุคคลที่เจาะจงและทําให้เกิดความสุขที่ดีก็าถึงแปลว่าศรัทธาในทางก็แปลความเชื่อมั่นเชื่อมั่น สิ่งเนี้ยดีสิ่งเนี้ยช่วยคุณได้เช่นะสมมติว่าเราศรัทธาในคนเนี้ยแต่ว่าคนอื่นมองว่าคนเนี้ยไม่ดีแต่ตัวเรามองว่าคนนี้ดีเราก็จะศรัทธาล้วก็ทําตามในสิ่งที่คนเนี้ยบอกอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นศรัทธานะคะใช่แล้วก็แค่ได้ยินเสียงเขาหรือว่าได้เห็นหน้าเขาก็เกิดความสึก ด, ดีดีใจศรัทธา ต่างกันยังไงอะศรัทธาความหวังนี่มันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองศรัทธานี่คุณไปศรัทธาสิ่งใส่สิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสิ่งนอกตัวอาจจะเป็นรูปประธรรมและนามธรรมาก็ได้แต่ว่าความหวังนี่ส่วนใหญ่มักจะหมายถึงความหวังเกี่ยวกับตัวคุณว่าคุณหวังว่าจะประสะครบความสําเร็จคุณหวังว่าจะหายป่วยคุณหวังว่าจะจะจะได้เข้าถึงความสุขความหวังนี่คือต้องการผลลัพธ์ใช่ไหมคะ ต้องการผลลัพธ์ของสิ่งที่คิดอยู่ความปรารถนาและความความเชื่อความปรารถนาและความอยากที่จะเข้าถึงอยากที่จะบรรลุผล yeah. okay. Okay. แล้วก็มีความเชื่อว่ามีโอกาส <Okay. S 2> ที่จะบรรลุได้ การของวิธีการที่จะทําให้เกิดความสงบในทางพุทธศาสนามีแนวทางไหคะอาจารย์ในสี่ตัวนี้แต่มีสี่ตัวที่เพิ่มแต่การสร้างสศรัทธาบางทีท่านพูดแล้ศรัทธาสติสมาธิปัญญาในในโคการที่จะในในคนเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติมาก่อนการที่จะสร้างให้สร้างตัวของสติเราจะช่วยเขาได้ยังไงก็ต้องมีเกย์แล้ม่ช่วยอ๋อ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอ่าเดี๋ยวจับมือไว้อาเรมาจับมือบี ก, ก็พุทะคลายก็โทรหรือไม่ก็เอายกมือขึ้นมาพุทธโทพุทธโทสัรพัดทาําได้หลายอย่า ง, าง ใ, น ใ, นในผู้ป่ว ย, ย, ยในผู้ป่วยระยะในระยะสุดท้ายก็ทำได้ใช่ไหมครอาจารย์ที่ทำได้ง่ายที่สุดถ้าสมมติ คือมื่อถ้ามีเวลาในการดูแลเมื่ถ้ากลุ่มนี้ไม่นานแต่เราต้องการปลดให้เขามีสติวิธีที่ที่พระอาจารย์เคยปฏิบัติแล้วถ้าทําทให้เขาคืการเรียนวิธีการชักจูงให้เขามาสู่วิธีแบบนี้ที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ลําบากสําหรับผู้ป่วยนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เนี่ยต้องหาจุดสนใจเข้ามาจดจ่อลมหายใจลมหายลมที่ลมหายใจก็ลําบากก็ช่องหายใจไม่ได้บางทีใส่หน้าโสมก็มือไงมือยก แต่ใหม่ๆล้วก็จับเขาก่อนอ่าจับแล้วก็บีบแล้วก็คลายบีบแล้วคลายนะอะไรเงี้ยตอนหลังก็เอ่าทําเองอ่อยกมือพื้นยกมือต้องหาอะไรเขาให้เขาจดจ่ออยู่ว่างๆเนี่ยอยู่ว่างๆนี่พุกมากเลยอ้โหค่ายจิตไปจดต่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เขามีสติมากขึ้นกับกับปัจจุบันที่ต้องหางานให้จิตทํา ปล่อยให้ว่างก็ติก็จะฟุ้งซ่านเยค่ะมันไม่ใช่แค่ฟุ้งซานเดียวความทุกขเวทนาก็จะเล่นงานเราแล้วการการมีสติอยู่กับความเจ็บปวดณขณะนั้นกับมีสติที่เบี่ยงเบนจากความเจ็บปวดณขณะนั้นไปจุดอื่นอย่างเงี้ยค่ะโดยหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อว่าสิ่งไหนทำให้ลุกพ้นจากความ จปวดมากกันหรือว่ามีสติมากกันมันแล้วแต่ความความความความพร้อมอ่าจริงๆแล้วพูดแล้วเนี่ยไอ้การที่จะมีสติอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความปวดเนี่ยมันง่ายกว่าเช mm hmm. ่นโดยเพราะคณใหม่ๆเนี่ยจะไปให้เขามาดูมีสติรู้เวทนาเนี่ยยาก mm hmm. ให้เขามีสติอยู่กับลมหายใจยิ่งไกลาจากจุดเจ็บปวดได้เท่าไหร่ยิ่งดีปวด เช่นปวดปวดท้องก็มาที่มือมาที่ลมหายใจถ้าปวดท้องเรามาตำยุบหนอพองหนอนนี่บงทีแย่นะเพราะว่าจุดสนใจมันใกล้กับจุดเจ็บปวดก็ต้องดึงมาไกลไกลจุดที่เจ็บปวดหน่อยอันนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีพื้นเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่ามามีสติรู้กายหรือรู้เวทนาแต่ถามว่า อันไหนดีที่สุดเนี่ยก็ต้องตอบว่าการมีสติรู้เวทนาเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมันไอวิธีอื่นมันก็จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นเช่นพออาการดังทานตะวินโลกคุณมีปัญหาในคุณหายใจลำบากนะใช่ไหมคุณจะขยับมือคุณขยับไม่ได้คุณบังคับมือไม่ได้นะใช่ตอนนี้แหละคุณต้องกลับมาดูเวทนานะเลยเพราะช่วงช่วงที่วิกฤตนะ ต้องมาดูเวทนาแล้วเพราะว่ากายมันไม่มันไม่รับรู้นลไม่สามารถาจะ บ, บังคับกายให้ทำอะ ใ, ให้เคลื่อนได้หาลมหายใจใท้องพองยุบแล้วมือที่เคลื่อนไหวไปมาบาทีคุณโคม่าเนี่ยโอยโคม่ายังรับรู้ได้นะใช่จิตใช่ไหมคะกพระสาราใช้จิตกำหนดก็รับรู้<ช>เ<ล>วทนารับรู้จิตเวทันมีสติรู้เวทนามีสติรู้ใจ ในหัวข้อที่สามพระสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตในทางพุทธศาสนาคําว่าสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีความหมายไว่าอย่างไรบ้างว่าสำหรับคนเรามันมีเยอะแยะเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงใช่ไ่มหลายคนก็เอาพวกนี้เป็นสารณนาเอาสิ่งภายนอกักเอาเรื่องเรื่องความสําเร็จทางโลกเป็นสารณะแต่บางคนก็ฉลายก็เอาก็ทําพระพุทธประสงค์พระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะสิ่งยึดเหนี่ยว บางคนก็มุ่งพนิพพานทุกคนไงมีสองอย่างคือโลกกธรรมคนก็บางคนเสื่อยก็เอาเอาเอาเอาเรื่องทางโลกเป็นสิ่งที่เหนียวแต่ว่าคนที่ตลาดมากขึ้นก็เอาธรรมะเป็นที่เหนียวในในกรณีที่เป็นคนไข้อะยะสุดท้าย ส่วนใหญ่แล้วสิ่งยิดเหนียวที่พระจะพี่พิมีวิส ก, กัารในการดูแลคนไข้พวกนี้คืออะไรเป็นสัมพันธ์นะคะคือหมายถึงสิ่งยหนที่จะช่วยเขาได้ใช่ไหมก็ศาสนาความดีความดีที่ตัวเองทำงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือนี่คือสองใหญ่สองใหญ่หลักๆ ถ, ถ้าเป็นตัวบุคคลถืว่าเป็นตัวบุคคลเป็นครอบครัวนีถ้ถือว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสามารถทําให้เกิด เ, เป็นสิ่งยืดหียวในในยะสดท้ายได้ไหมคะพรอาจารย์มันมันไม่ใช่ยืดเหนียวครอบครัวไม่ใชสิ่งยืดเหนียวคือมันช่วยไม่ได้มันจะไม่ใช่สามารถมันไม่จะไม่เป็นสิ่งที่ยืดเหนียวได้แต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้คุณคลายกังวลได้เอครอบครัวคุณครอบครัวก็ไปจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราเราทุกอย่างที่ ที่ภาราคขาเรียกวิชอบที่เรามีกับครอบครัวก็หมดแล้วเราก็ปล่อยวางมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนื่ยแต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ให้ปล่อยวางได้ถ้า้าสีร้างสิ่งพวกนี้อยู่ในสิ่งที่เขาพึงพอใจมันวงระดับของความมัวใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสาเร็จแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ตรงนี้ไม่ต้องเกิด่กเป็นสิ่งที่ทําให้คลายกังวลใช่คือ ถ้ายึดเหนียวนะบางทีมันทําให้ตายยากนะถ้าจะเอาคือจะตายแล้วก็ยังยึดยังเหนียวครอบครัวไว้นี่มันไม่ยอมตายนะยึดเหนี่ยวก็ยึดติดนี่เหมือนกันไหมค ะ, ะยึดเหนี่ยวก็ยึดติดกัไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใกล้เคียงกันยึดเหนียวคือยึดเป็นที่พึ่งนะซึ่งสิ่งที่เราจะยึดเป็นที่พึ่งได้ก็จะเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมีมีม มีพลานุภาพที่จะช่วยเราได้ไม่ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกกังวลหรือคลางแคลงใจแต่ถ้าคุณยึดเนี่ย ค, ครอบครัวเนี่ยคุณจะรู้สึกกังวลขึ้นมาเลยมันจะมันจะไปรอดไหมเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยใช่ไหมแต่คุณยึดเหนี่ยวพระกุฎเจ้ายึดเหนี่ยวพระเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยคุณมีแต่ความสบายใจคุณไม่มีความกังวลเลยเพราะรู้ดีว่าท่านมีพลังที่จะช่วยคุณได้ พระอาจารย์ยงมีอย่างที่เรป่วยเลยแล้วสุดท้ายที่มีการยี่วว่าชีวิตหลังความตายตรงนี้เป็นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไหมคะพระอาจารย์ที่หลังตายจะไปเกิดใหม่ที่ดีเียมันเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมากกว่ามีความเชื่อว่าไปได้ดีเพราะว่าคุ ณ, ค, ณคุณมีคุณมีความดีคุณมั่นใจในความดีหรือว่ามีบุญเป็นที่พึ่งไม่ใช่สิ่งยึดเของเป็นความเชนนื่อันนี่เข้าตัดอยู่เนื่อง ของความดีถ้าคุณมีความถ้าความดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวกับจิตใจได้บุญกุศลเป็นที่ยึดเหนี่ยวกับจิตใจได้เมื่อกี้ก็ได้บอกสองอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สความดีที่บุณได้ทำํำอันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้กรณีถ้าเออกิดว่าในบทบาทของผู้ดูแลหรือพยาบาลเนี่ยคะ่ะในกรณีที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยเหมือนกับยังมองไม่เห็นหรือว่ายังไม่รู้ว่า คจะทายังไงเนี่ยก็คือเป็นบทบาทของพยบาบาลที่เราสามารถจะชี้แนะแนวทางเหล่านี้ได้ไหมคะว่าเขาควรจะต้องทำงางไงยึบเหนี่ยวกับสิ่งไหนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็รวมทั้งครอบครัวญาติมิตรซึ่งจะมีบทบาทมาก สิ่งที่เหนวนี่ก็ก็น่าจะครบในทางพุทธศาสนาที่พี่บอกไว้นะคะอาจารย์ก็คือสิ่งที่เหนยวทางด้านทางทางล้กรทั่มแล้วก็ทางด้านทั้งลเขาทางธรรมอะอีกนานไหมครับอ๋อไม่ชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่คุยชั่วโมแล้วก็ข้อที่อาจารย์การเข้าใจตัวเองและธรรมชาติของชีวิตในความหมายของทางพุทธศาสนาอธิบายคำเดิมจริงไงพูดถึงยึดเหนียวนี่นะมันก็เป็นขั้นแค่ขั้นแรกนะของการ ของการของการทําใจอีกขั้นหนึ่งคือการปล่อยวางแล้วปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันต้องมีคนที่มีธรรมะขั้นสูงก็จะปล่อยวาง <c oughs> แล้วก็คนหลายคนที่เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่สนใจสิ่งเล็กเหนียว แ, แล้วเขาก็จะคิดอะไรปล่อยวางีงห ม, ห ม, หมถึงท่เป็นเรื่องของระดับขั้นออออปัญญา เข้าใจแล้วค่ะคนที่ยังไม่มีพื้นแล้วก็ต้องหาให้เขาเย็ดเพื่จะดึงเขาให้ออกจากความทุกข์ความเจ็บปวดแต่หากผู้ใดที่เขาพัฒนาตนพัฒนาจิตได้ดีก็ต้องฝึกปล่อยวางอย่างนี้ใช่ไหมคะข้อสีการเข้าใจตนเองและธรรมชาติของชีวิตเขาบธรรมชาติของชีวิตในทางพุทธมีความหมายว่าย่งไรคะพรอาจารย์ก็หลักๆเข้าใจไจรักอันนี้จังทูกขังหน้าตาแค่นั้นนะแล้วก็ เราจะอธิบายความให้ก <rôle à> ับผ <ots> ู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายๆในหลักใจหลักคนเราเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายคนเรสุดก็ต้องตายไม่มีใครที่จะหนีพ้นความตายได้นั่นก็ยอมรับความตายมันพูดง่ายแต่การปฏิบัติครับพระอาจารย์มันยากมากที่จะไปพูดแบบนี้กับผู้ป่วยที่เขาอยู่แบบนี้คือถ้าเราพูดแบบนี้คือมันเข้าใจไใจรักแต่การนําไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ที่พระอาจารย์มีประสบการที่จะให้เขายอมรับกฎของใจรักเนี่ย เขาจะมีวิธีการมีเขาต่ยังไม่ยังก็จะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเราก็พยายามให้เขามีที่ยึดเหนี่ยวอยที่ว่าเพราะว่าเวลาพูดตายรักเนี่อะไรพูดเรื่องการปล่อยวางนะก็คือถ้ามีการพัฒนาึข้นว่ากขึ้นก็จะพูดถึงเรื่องมีการมาแต่ันะต้องหาสิ่งย็ดเหนียวให้ออกก่อนการอธิบายไม่ได้ว่าอธิบายตู้มลงไปที่กดของตายรักและพูดถึงความตายในผู้ป่วยแหละกลุ่มนี้ใช่ไหมครับก็จนกระทั่งเราสึกว่าเขาเขาพร้อมจะปล่อยวางได้เขาเขามั่นใจในความดีที่เขาได้ทํา มันนี่ก็เราก็ฝืนพูดเรื่องว่าเออคนเราเนี่ยร่างการคนเรามันก็มืนกับบ้านที่กำลังจะผุพังนะถึงเวลาบ้านผกพังเนี่เราก็เราก็จะเราก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกเราต้องเราต้องรีบที่มันไปไปหาบ้านใหม่ดีกว่าใช่ไหมให้พูดอย่างเนี้ยมันก็ให้เขา้าข่ อ, อมัน มันไม่เที่ยงนะไอสังขารร่างกายเราเราอย่าไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี่ปล่อยวางแต่เขาก็ยังมีให้เขาเขาก็ยังเกิดความเชื่อว่ามันมีบ้านอีกหลังที่รอคอยเขาอยู่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่าอบางคนเขาไม่สนใจบ้านหลังใหม่นะเขาก็พร้อมจะพร้อมจะทิ้งไปเลยไม่สนใจมุ่งสู่พระนิพพานไปเลยในในคนปกติ ถ้าเราแบบว่าเอชี้นําให้มีความเชื่อในเรื่องบ้านหลังใหม่นะคะที่เราบ้านเรถูกพังแล้วจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แบบนี้เป็ น, นาทางที่ถูกต้องไหมก็คนทั่วไปก็โอเคเพราะเขาเขาเขาไม่ได้เขาคิดไปไม่ถึงเรื่องเขาไม่ได้คิดปรารถนาที่จะพ้นจากวัฏสงสารเ้าก็ยังคิดว่ามีสวรรค์มีชาติหน้าก้อยเขามันใจว่าชาติหน้าเขาคือสวรรค์ชาติหน้าเขาจะจะดีอย่างนี้ถือว่าไม่อยู่กับปัจจุบันไหมคะ ก็ก็ไม่เชิงเพราะว่าเรากำลังให้เขาปล่อยวางปัจุปล่อยวางปัจจุบันก็คือสังขารร่างกายให้มองเห็นที่วิวนั้นผุพังแล้วอเฮียเขายึดติดใช่ั้ยเป็นอุบายเพื่อทำให้เขาปล่อยวางเนี่ยเราก็ต้องบอกเออมีบ้านใหม่ที่ดีกว่า ตนเองธรรมชาติของชีวิตเป็นคำเดียวกันไหมคะผู้อาวุโสหรือว่ามันเป็นสองคำที่ต้องเชื่อมโยงกันการเข้าใจตนเองและธรรมชาติของชีวิตเพราะมันจะเป็นคําที่เขียนติดๆเข้าใจตนเองมันก็มีความหมายหลาระดับควา ม, มหมายระดับผิวก็วรู้ว่าเรามีนิสัยใจคออย่างไงาเรามีจุดอ่อนจุดแข็งแค่ไหนนะแต่ว่าการเข้าใจธรรมชาติชีวิตมันเป็นเรื่องของการที่เราเห็นความจริงของชีวิตความจริ ง, ค ว, งความจริงของกายและใจว่าไม่เทียมเป็นทุกเป็นอนัตตา ก็แล้วแต่คุณจะตีความคนส่วนใหญ่ตีความรู้จักตนเองก็ตีความแบบแคบๆหรือว่าไม่ลึกแต่ว่าถ้าตีความไม่ลึกก็คือเข้าใจเรื่องกายและใจว่ามันมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเราของเราไม่ได้แค่ความไม่กว้างไม่กว้างก็มันก็พื้นก็ไม่ช่วยในเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ช่วยในเรื่องการ ไม่ช่วยในเรื่องอมไม่ช่วยในเรื่องการบรรเทาทุกข์ของผู้ผู้ใกล้ตายเท่าไหร่ อ, อาจจะช่วยเรื่องการทำมาหากินช่วยเรื่องการเรียนช่วยเรื่องการประกอบอาชีพแต่เวลาใกล้กาตายเนี่ยไอ้รู้จักตัวเองในความหมายแค่เนี่ยมันไม่ช่วยหรอกคุณต้องรู้ไปถึงเรื่องธรรมชาติของกายและใจต้องต้องมากข้ามข้ามข้ามใจให้ลึกไปกว่านั้นให้ลึกไปกระทั่งว่าตัวเองไม่มีตัวตัวตัวกูัของกูไม่มีจริงหรอก ข้อสอีกข้อหนึ่งครัอาจารย์เรื่องความหวังความหมายความหวังในในความพุทธศาสนาเหมือนไม่อีเมื่อกี้ที่เพื่อนถามครับว่าความหวังกับความปรารถนานี้อศรัทธาแล้วมันมันเป็นมันมานคนละตัวกันแต่ว่าในความหวังของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายที่ให้ไว้ไหมครับอาจารย์ก็ถึงที่สุดแล้วผู้ที่ผู้ที่พัฒนาขั้นสูงสุดเขาไม่มีความหวังพระอรหันต์ก็คือผู้ไม่มีความหวัง คือผู้ไม่หวังผู้ไม่หวังเพราะว่าทุกอย่างนี้ท่านมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุการ์ปัจจัยจะทำอะไรไม่ได้ทำเพราะความหวังแต่ทำเพราะว่าเห็นว่าเหตุปัจจัยเห็นว่าแต่ทำเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำมันจะสำเร็จไม่สำเร็จก็แล้วแต่เหตุปัจจัย <c oughs> ผู้เจ้าเนี่ยเป็นชูเ พ, พาราะพราะอะนี่คือผู้ที่ไม่หวังผู้ที่ไม่หวัง เมื่อไม่หวังก็ไม่มีความไม่มีก็ไม่พบกับความหมดหวังหรือความสิ้นหวังตามได้ที่มีความหวังก็ต้องเจอความหมดหวังและความสิ้นหวังใช่ไหมถ้าคนมันมีความหวังอยู่มันก็ต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็คือมันก็ไม่เกิดด้านอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นคนธรรมดาไม่มีความหวังก็ไม่มีแรงจูงใจแต่พระอรหันต์ถ้าไม่ได้อาศัยความหวังเป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักถ้าอาศัยปัญญาและกรุณาอะไรดีก็ทําอะไรไม่ดีก็ไม่ทํา ถ้ในคนปกติปุถุชนคนธรรมดาแล้วก็เป็นคนไข่ระยะสุดท้ายเนี่ยการที่เขามีความหวังกับโลกหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นแนวทางได้ไหมก็ก็ก็ช่วยได้ก็อย่างมาก็ทําให้เขาทําให้เขาไม่ทุกไม่ทุกข์กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกรณีที่แบบความหวังที่จะไปเจอสีดีโลกหน้าเนี่ยอาจจะแบบ อาจจะใช้ได้ในกับคนที่เคยทําความดีหรือมีความดีมาตลอดชีวิตแต่ใน ก, กรณีที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองทําบาปหรือว่าเป็นคนพิดีมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วอยู่นยในภาวะสุดท้ายของชีวิตเองค่ะช่วยยังไงได้บ้างก็ต้องทํามไ้ค่อยเห็นว่าเขาได้ทําความดีอะไรบ้างในชีวิตคนเํามันไม่ได้ช่วร้ <S <S <S อยเปอร์เซจริงๆนะคนเรา <S <S ในยี่สิบสีชั่วโมงเนี่ยแล้ก็ต้องคนชั่วมันก็ไม่ได้ทำความช่วยี่สชั่วโมง ใช่ไหมไอช่วงที si> ่ท uh ี uh. ่ไม่ได้ทำชั <t ries <t ries> <t ries ่วแล้วก็อาจจะทำความดีก็นึกถึงเอาไว้มีนายสายุติกามมีมีเพชราตก็ฆ่าคนมังเยอะตัวหลังก็พนมาสนใจธรรมะแล้วก็ เมื่อป่วยก็มีความรู้สึกผิดที่เขาจองค่าคนมาพระเสด็บุตรก็ก็นิ้นมดพระเสด็บุตรมาพระเสด็บุตรท่านเขาก็ถามว่าอา่การเป็นเพื่ค่าค่าคนนั้นเนี่ยมันผิดไหม เขาสา่าก็ตอบกลางๆว่ามันมันขึ้นอยู่กับเจตนาแต่เขาฟังแล้วเนี่ยก็สือเออก็งั้นฉันก็ไม่ผิดเลยใจเขาก็สบายพอใจก็สบายนี่พอตายไปก็ไปเป็นสไปเป็นโซดาบัลแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ผิดนะแต่ว่าูท่านท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดเพื่อทําให้เขาเนี่ยเอสบายใจแต่ไม่ได้พูดโกหกนะพระไตรบุณณ แต่ถ้ามันก็มีวิธีการพูดพูดตามหลักถ้ามันก็ต้องใส่เจตนาใช่ไหมถึงมัผิดเขาก็นึกว่าฉันไม่ผิดแต่ที่จริงเขาก็ต้องรับกรรมกันนะตอนนั้นจิตตอนที่จะตายจิตสบายไงก็แตกี้สาหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์คืออยู่ อยู่แบบผู้ไม่หวังส่วนคนธรรมบาก็คือต้องอยู่อย่างมีหวังเพื่อเป็นแรงจูงใจเนาะแล้วก็ไล่ลงมาอีกคนที่คิดว่าเป็แบบคือตึงให้เห็นก็โอเคเห็นเป็นระดับอันนี่เป็นคําสุดท้ายนะคะอาจารย์เป็นเรื่องของคำว่าความผาสึกทางจิตมีกญาณในทางคุณศรัทธาคำนี้มีไหมคะเพราะมันเป็นประเด็นที่โต้แย้งกันอยู่ถ้าเอาตามตําราไม่ได้มีหรอกไม่มีใช่แต่ว่ามีอมีความ ความสุขคือบางทีเราไอ้ความนิรามิสุขหรือว่าชานสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขทางจิตวิญญาณได้เหยเรื่องของมันเป็นแคตตาล็อใหม่ที่เราก็เอามาโยงเข้ากับพุทธศาสนาได้มันเป็นคำที่แปลมาจากฝรั่ง spiritual happiness well being ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มาโยงกันได้ก็สุขทางสุขจากสมาธิสุขจากปัญญานี่แหละคือการว่าอยู่ใน จัดว่า well อยู่ในฝ่ายอยู่ในฝ่าย spiritual wellbeing ความความสุขที่ที่เกิดจากการมีสติสตที่รักสติที่รัจิตที่มีสติจิต ท, ท, ที่มีสมาธิแล้ววราเกิดปัญญาปล่อยวางออ้วนี่คือถ้าถ้าในความหมายถ้าข้ามถ้าข้ามจากฝั่งของระวันตกมาเป็นของพุทธจริงก็จะมีความหมายเป็นแบบนี้และคำว่าปัญญาตรงตรงที่เราจะจะให้ความหมายของความสุขของจิตวิญาณคำว่าปัญญาตรงเนี้ย ถาใความหมายกว้างขึ้นเป็นคําพื้นๆที่จะสามารถอธิบายคนทั่วๆไปให้รับรู้ได้เนี่ยเราจะเพราะว่าพอดีคําว่าปัญญามันก็จะเป็นคําที่ก็เกิดความเข<ห>้าใจในชีวิตและโลกใใ แ, ลแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่อยอรับความจริงได้ไม่ยติดถือมั่นถึ ง, ถงสุ ข, ข, ขที่เกิดจากฌานเนี่ย ฌานตั้งแต่ฌานหนึงฌานแปซึ่งเกิดจากการทำสมาธิออถ้ามันก็คือถ้าเกิดยังคนไม่ได้ปฏิบัติสมาธิแต่จะมีความผาสุขทางจิตวิญญาณได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ก็คนที่ปล่อยวางคนที่มียึมีศรัทธาในศาสนามีความดื่มดำปิติศร <c oughs> ัทธาก็นําไปสู่อย่างที่บอกศรัทธา <c oughs> ปิติปราโมทย์สมาธิ <c oughs> แล้วก็สุข ความสุขแล้วก็สมาธิความสุขใจกับความความไม่เห็นแก่ตัวความเสียสละทําช่วยเหลือเพื่นแล้วมีความสุขนะก็เป็นสุขทางจิตวิญญาณได้ความไม่เห็นแก่ตัวความทําคุณช่วยเหลือเพื่นแล้วคุณมีความสุขเนี่ยมีปิตินี่ก็ใช่ที่เป็นร ะ, ระดับแบบสุขทางจิตวิญญาณแบบระดับพื้นที่สุดเลย พรสูงข um, oh, <were> no? ันนะคะอาจารย์น so mm ั hmm. it, although, s <S mm ่นเองสมาธิเพราะฉะนั้นในความพระสูขทางจิตวิญญาณมันก็จะมีระดับของมันเองมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตรงตรงในหางก็คือไปแบบทั้งทั้งทั้งหมดนียกล่าวมามันก็จะมีระดับของมันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าพูดง่ายๆคือสุขที่เกิดจากทานศีลภาวนาสุขที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคุณทั้งหมดเนี่ยคือสุขทางจิตวิญญาณใส่เข้าไปได้เลย สุขตามระดับที่ที่ทำก็คคุณจะได้ขึ้นมาเบสิคขั้นต่าคือทานคุณให้ทานแล้วคุณมีความสุขนั่นแหละสปิชิ a l w e ร์บีอิงทันทีที่ให้ทานแรกแล้วมีความสุขเลยถือว่าเป็นสปิชิวเบอร์บีอิงอยางคะใช่เป็นระดับต่าก็คือคุณให้ด้วยถ้าคุณให้ด้วยจิตที่อยากจะสละนันไม่ใช่จิตเพราะอยากจะเอาเช่นให้เพราะถวายทาบุญเพราะอยากจะรวยอยากจะถูกหวยนี่ไม่ใช่สปิชิวเบอร์บีอิงมันเป็นความโลภเป็นความโลภ เลยได้โลครับให้ต้องการสิ่งตอบแทนนะนะให้เราเจอติดตันหาอาจารย์คะอย่างมีคำนิยามที่อยู่ข้างหลังข้างหนมีในเรื่องของการให้บางทีเราอยากให้แต่เราเราให้โดยที่เราว่าเราหวังว่าอยากให้เขาเห็นสุขแล้วเราเราถึงจะมีความสุขตรงนี้ผมว่าน้อยคนที่จะคิดตรงนี้ลมบางที เราให้ไปแล้วแต่เขาไม่สุกเนี่ยเราเป็นทุกข์ตรงนี้จะอธิบายยังไงว่ไม่แต่อันนั้นก็อันหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นๆให้เพราะอยากจะช่วยเหลือเขาอยากให้เพราะมุ่งประโยชน์ที่ตัวเขาไงไอตอนนั้นแหละสุขแล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อให้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักทําใจให้เป็นเขาให้แล้วเขาช่วยเขาแล้วเขาไม่ดีอย่างที่เราคิดเราก็อุเบกขาเราก็สุขใช่ไหมอืม อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิแล้วมันไม่ใช่เรื่องทานสมาธิในที่หมายถึงว่าการฝึกจิตไม่ใช่นั่งสมาธินะสมาธิที่ว่านี่ยทานศีลภาวนาศิลสมาธิปัญญาเนี่ยสมาธิในที่นี้มันความหมายกว้างในตรายศิขานะะสมาธิในตรายศิขามันกว้างกว่าสมาธิในมรรคมีองค์แปดสมาสมาธิอะกว้างกว่า ส, สมาธิในใจสิกขาก็คือทุกอย่างาที่เป็นเรื่องการฝึกใจทุกอย่างที่เป็นเรื่องการฝึกใจฝึกใจใอดทน ฝ, นฝึกใจให้มีความเพียรฝึกใจมีสติให้มีเมตตาให้มีอุเบขานี่ เ, เรียกล้วมเรียกกันหมดว่าสมาธิในใจศิกขาคุณฝึกให้คุณให้ให้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความขยันไม่อดทนไม่ยอดไม่ยอดท้อคุณฝึกให้เขามีความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคมนี่ก็ถือว่าสมาธิในใจสิกขาแต่สมาสมาธิในในมังโมยแตะเนี่ยปฏิบัติทำอย่างเดียวพอดีเพื่อนก็จะทําเรื่องของสมาธิในใจสิกขาแล้วท่ตอนนี้คือมานเป็นคำที่เชื่อมโยงกันเป็นคำทีใจคนละเรื่องแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเริ่มทำเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าสมาธินี่ ที่ตอนทำมาคิดว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติได้อย่างเดียวไหมว่าศีลสมาธิไม่มั่กอาหะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพระพรอาจารย์นี่แบบว่าสมาธิในใจสี่ขานกว้างกว่าก็คือแบบนี้ได้เพราะนัการนำไปสู่การปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยก็จะก็จะทําได้ง่ายขึ้นจจคือคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยต้องดูบริบทนะเช่นคําว่าสังขารในในในขันหานี่ย กับสังขาร ใ, ในในไตรักเนี่ยมันกับสังขาร ใ, ในในไตรลักษเนี่ยมันไม่มันก็ไม่เหมือนกันนะต้องดูสังขารในในขันห้านี่จะในเรื่องการปรุงแต่งทางใจส่วนสังขารในไตรลักณเนี่ยสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาเนี่ยจะหมายถึงทั้งหมดรวมทั้งร่างกายรวมทั้งเสาเรือน อสรยังเสร็จ้ว่การอจายกับครบคุณรบรอครบทุกประเด็นนะบร